Bạch คุมมันกันนี่เก้าแก่งบอนนักนาดมาสิฟัน คืนนั้นนับฟ้าเริ่มลานิมิตสั่งหอนนอนบ่ Fianna khám kinyan sám phíma na sùn bàp tong mà t sì ho ng แสงสิ บ้างสิเป็นเหตุคายจิ่งแปลกต่างคำ Bòp i n'hàng, ròg de l'à, พอจตุรทุกวันล้วนสิแปแปพันไผก็ฝันดอกนางโอ้ยอย่าหวัง ในตอนนั้นก้มกราบล้างเวร queixi maréu l'abat ni m'eixi chak sòng มาเซนําสองลาแถงขวัญตาโอ้ยพระก้อนน้อย หมกเกาเพียเอ้ยไงลูกเนาอยู่ร่วมเชียงข้างอย่าห่างฟ้าว่าแล้วบ่ได้ซากหายกระตากับ Dú-ka-dú-ba-day-luv-an-si-u-i-nàm. Thang yit khoi ho i eu đang ta ki u lom toan mong bong teu neu mai đu ang a thay u i u i u i u i เบ็ดใส่ต้นหมากไม้บ่อนเคยท่องเที่ยวหาสุวรรณมา L'any es Seu-seu-yu-tun Ma-kwa-it-la-on-la-ho-hy L'ong-pà-k-hò-ng-wa-o Uy-no-ni-pil-nhang-sa-ng-ma-sua-hi-e-au-chang-tang-te-tay-bam-ni tay bam ni kît kei n cha โอ๊ยน้ำตาโคลังย้อยใจละห้อยอ่างมาดู ในตนนี้จู่ไว้เพียงเท่านี้มัดเสควาแสวงงามกล่าว เพิ่นนายคอยมักซี่ด้วยบ่โอ้ยคั่นสิให้กะอย่านานเพราะเวทว่า อีตอพร้ำขาดท่านองงพระเวตรบคินขัดปงพระไทยจิงชัตฟ vocabulary สิท่านสองลาพระมันแล้วร่างหน้าสองลาไปใส่โน่วังหันยังรับรอดอกมายำพรุมันก่าเลยเม่าว่าสองอนไหลป้าไปส่อนตัวอยู่ในสาเร็จมากว่าเกียงยันพระมันพลาหนะเรื่องแต่บิ่งสีคูพระเวตรมาทำเรียร์ อือบ่สมสา ถ้าอยู่นี่ล่ะพ่อโซนไข่สิ ตางหอยสองลูกลาฮอดซาบ่กานี้งอนกันหาชาดีดันนี้ดอกบุญเกี่ยวแนที่เดียวอยู่ในนี้ ลูกอย่าคิดยากคายให้ซอยพ่อเพียงปลาเดียว บอดบาเธอพระมีนะเก้าน้ําตาย้อยประเวศอ้อยสอง จังว่าครอบจังว่าเครือผูกเทือน เป็นลูกเกิดเป็นลูกเจ้าฟ้าหยังได้ลูกภารกัมได้เกิดเป็นลูกเจ้าฟ้า เฮ้ยทำเก็นทำ ผันยบาทก็บ่เว้นเห็นกันต่อยนั้นตบตีเพราะเว้นมีแต่เข้าหลังนั่งพามกับส่องน้อยมัน คิดแต่เพียงเท่านั้นคืนไปสู่หมู่ คิดแล้วตกคมคําตื่นโอ้ยสติตื่นนั่นขึ้นกลับทุกปานใด<ณ> ถูก plent song nong ai ผ Mul kwenkora Oberst cken sh อืมคิดต่อพ่อก็บ่จ้อง ถ้ามาร่าเป็นกำผ้าพ่อล่ะโอ้ยส่วนมา สาอุทโธเทวาอยู่ปานนี้สมเพชสงสารสองกุมังบ่มีไผสิพึ่งพิงโอ้ยขอให้กลับดาวแท้เห็นหน้าพ่อแม่คิง พี่น้องถ้า พรามเมืองคมทมหองอย่าจองหองครูบ่จงสู้คง Hãy liên